เอ่อท่านทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> สัมบาลีจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรา เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในในแห่งกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาแห่งกายในกายทั้ง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้น ยันต์สักกว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึก ว่าเราเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเรา <c oughs> การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการสมาธินั่นเองสมาธิประการตั้งใจและ นี่คําว่าสมาธิได้การตั้ง ก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินว่าเดินไป เรื่องการเดินการยืนการนอนการนั่ง แน่นอนจะดึกๆเดินยืนก็เหมือนกันโดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้ <c oughs> เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความ ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทํา <c oughs> อาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายมา แล้วเดินแบบไหนมันจึงจะ <c oughs> อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงวางท่าไว้เลยว่า เอ๊ะถ้าเราเดินกันอยู่ถ้าขอๆว่าจงกรมนี้แปลว่าเดินก็อย่างๆประ <c oughs> tam พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทําสติสัมปชัญญะ ถ้าเรามีที่เฉพาะในห้องนอนของเรา ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทํายังไงจะ <c oughs> ถ้าเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบิณฑบาตเดินไปทํากิจการ <c oughs> เร <c oughs> เราก็ต้องการจะฟังธรรมข้อ เดินไปรู้ว่าเราเดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราเด การรู้จักการเดินด้วยชี้ว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่ อันน่ะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ค่อยคน เราต้องการกําไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมฐานกองใด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 กัมมัฏฐานข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้าวันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเว้น <c oughs> ตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้า 1 ชั่วโมงผมก็เท็บสะพายไป ถ้าต้องการเดิน 2 ชั่วโมงก็ 4 หน้ารีบพระองค์ทําอย่าง นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าจะพูดกันไปเรามีกำไรๆก็แสนจะ เนื่องเป็นรานี้งานก็สร้างหมดไปแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นภารกิจของช่างเลยจะ อย่าปล่อยกําลังใจของเราอิทธิบาทอยอยอย 4 จริยณ 15 บารมี 10 เป็น โดยเฉพาะที่มีความ 10 ประการต้องให้ 4 ประการและ 15 ถ้าจิตคน ละอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตะนี้เราก็มาอัญญอนุวาทที่อิริยาบถที่องค์ <c oughs> สงเณณมนฑะวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้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 ทั้งภายในทั้งภายนอก 32 มีวจาระวัสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง teh cycles มีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะส่งหยุดได้แท Player เราแล้ว cái แต่นี้ถ้าดูแบบธก็ดูว่าร่างกค ลาовать ความที่ яс่ง ถามความเที่ยงไม่ได้ร่างคคคเป็น ประจาουν lack วี noon ร่างคคคค นัดover นัดตา attracted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 ไม้ 32 ครบมันค่อยค่อยโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่าๆมันก็ต้องเป็น นี่เป็นวัฏร่างกาย เพราะว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปเล่อเลี้ยงแต่ เนี่ยมาถึงความเป็นผู้ใหญ่นี้ไปมันก็ เข้าไปบังคับว่าจงอย่าแก่จงอย่าเสื่อมจงเจริญขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเรา เราก็สอนตัดต่อไว้ว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา <c oughs> แเน่เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมัน ที่ร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อม นี่หมายความว่าองค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระในกายเสียว่าไอ้เจ้ากายนี้มันเหมือน <c oughs> มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพัง และท่านบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกระวีความรู้สึกเท่า ก็จงแนะนําให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายมันเป็นของธรรมดา จงอย่าติดในกายเสียเลยว่ากายนี้จะแก่ก็เชิญแก่กายะพังก็ <c oughs> ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรา เมื่อวางเฉยในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะ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 เป็นแปรเปลี่ยนใจความอาการเข้าไปสงบกายนั่น ความความในโลกนี้ไม่มีอะไร <ๆ. S 1> ความยึดถือร่างกายว่าคือความโง่สิได้เมื่อทําได้ถึงจุดนี้ก็ <c oughs> สำหรับเวลาที่จะแนะนํากันในวันนี้ก็หมดลง เป็นไป